ใจเราจะทํางานตลอดเวลาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราไม่ไปบังคับใจให้นิ่งแค่ใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราค่อยรู้หนะ้า ใ, ใจเคลื่อนไปถ้ารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแตง่งคิดเนตปรุงแตง่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างแล้วแต่สิ่งที่มากระตุ้นที่อย่างหน้านี้อากาศร้อน หงุดหงิดง่ายใครรู้สึกไหมหน้าร้อนหงุดหงิดง่ายอากาศไม่สบายพอมีสิ่งมากระตุ้นใจเราไม่ตั้งมัน่นไม่มีสติไม่มีปัญญาคุ้มครองใจก็ไหลไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดไม่ชอบหงุดหงิดให้เราเคยมีสติคุ้มครองรักษาจิต เราค่อยมีสติให้บ่อยๆเท่านั้นแหละแล้วสติมันจะทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเองเราไม่ต้องรักษาจิตเราปล่อยให้จิตทํางานแต่เรามีสติแล้วสติทําหน้าที่อารักขาคุ้มครองเมื่อเราพัฒนาสติให้เกิดบ่อยๆแล้วสติจะรักษาจิตให้เรารักษาจิตเองไม่ได้ เราสั่งจิตให้ดีมันไม่ดีร้อนร้อนแล้วอย่างหุ่นหงิดสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยเราพยายามมามีสติฝึกสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้ถ้าเมื่อไรมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเรียกขาดสติพอขาดสติจิตใจเราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะคอยคุ้มครอง ก็จะฟุ้งสั้นไปตามภสษะภาษาที่ดีมานะก็ฟุ้งไปเป็นราคะภาษาไม่ดีก็ฟุ้งเป็นโทสะอย่างนี้ร้อนไปก็เป็นโทสะถ้ะหนาวไปก็โทสะอีกฝนตกเยอะไปก็โทสะอีกพอดีตามใจชอบเราก็มีความสุขความสุขจิตก็ไปปรุงต่อมีราคะ สติเป็นตัวรู้ทันถ้าเมื่อไรเรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจเพราะนั้นเรียกว่าขาดสติจิตก็ไม่มีเครื่องคุ้มครองแก็ไหลไปตามความเคยชินจิตนั้ถูกกระตุ้นแล้วมันก็ทํางานแต่ว่าการทํางานของจิตนั้นจะทํางานไปตามความเคยชินคนไหนมีอนุสัยขี้โมโหจะทบผัสสนิดเดียวก็โมโหละ คนไหนที่โลภพระทบภาษานิหนึ่งก็โลภนะไปตามความเคยชินคนไหนใจลอยเก่งใจลอยไปทั้งวันกระทบภาษาเบาๆคิดอะไรเพลินๆไปเบาๆอยู่ในใจเพลินนั่นทำไงสติจะเกิด น, นี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องเรียนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น ไม่ใช่เกิดจากการที่เราสั่งให้เกิดเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สั่งจิตให้มีสติไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่เราทำเหตุของสติได้มันเหมือนเราสั่งต้นไม้ให้โตเร็วๆออกดอกออกผลให้ต้นข้าวโตวเร็วๆออกดอกออกผลอะไรอย่างนี้ เราสั่งไม่ได้แต่เราทําเงื่อนไขที่มันเติบโตได้อย่าเราปลูกข้าวจะให้มันออกรวงเร็วๆเ ร, เราใส่ปุ๋ยใส่ ย, ยาเลยดูแลระดับน้ำหนึ่ถึงเวลาแล้วต้นข้าวก็ออกรวงนะปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนเราสั่งให้ทุเรียนให้มะม่วงออกลูกไม่ได้แต่เราทําเหตุดูแลใส่ปุ๋ยใส่ ย, ยานะให้น้ําพอเหมาะพอดีอะไรเงี้ย ถึงเวลาต้นมะม่วงต้นทุเรียนมันก็ออกลูกเองสตินี้เราก็สั่งให้เกิดไม่ได้แตเราทำเหตุของมันได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุนะถ้าเหตุดับตัวมันถึงจะดับอย่างไฟไหมนะไฟไหมคนบอกว่าดับไฟดับไฟไม่ได้เราดับเหตุของไฟเหตุของไฟมันมีเชื้อเพลิง เาเอาเชื้อเพลิงออกไปไฟมันก็ดับมันมีอุณหภูมิสูงเอาน้ำไปฉีดลดอุณหภูมิลงไฟมันก็ดับมันมีออกซิเจนนะเอาโฟมไปฉีดคลุมไว้อากาศเข้าไปไม่ถึงจุดที่ไหม้ไฟมันก็ดับแม้เราไม่ได้ดับไฟนะไฟมันดับของมันเองเพราะเหตุของมันไม่มีงั้นเวลาจัดการต้องจัดการที่เหตุอย่างเหตุที่จิตกระทากรรมแล้วนาความทุกข์มาให้นะ เหตุของมันคือกิเลสการกระทํากรรมเรียกว่าการกระทํากรรมผลจากการกระทํากรรมเรียกว่าวิบากมีกิเลสเป็นเหตุเกิดการกระทํากรรมเกิดวิบากเป็นผลกรรมดีก็ผลดีมีความสุขกรรมชั่วผลชั่วมีความทุกข์เวลาดับไม่ใช่ดับที่ตัวการกระทําไม่ใช่ดับที่ตัวผลอย่างเรามีความทุกข์ขึ้นในใจนี่ไม่ใช่เราไปดับความทุกข์ เราต้องไปดับที่เหตุของความทุกข์ดับที่ตัวกิเลสเห็นไหมสิ่งทั้งหลายนะมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับตัวมันก็ดับเราไปทำตัวผลไม่ได้เราต้องทาตัวเหตุเหมือนอย่างการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดนะเราทําเจริญคุณงามความดีศีล ส, สมาธิปัญญาองค์มรรคทั้ง8ปดเนี่ยเจริญไปด้วยถึงเวลานะ จิตมันเกิดมากเกิดผลเองเราสั่งไม่ได้มีผลเองเราต้องทําเหตุแล้วก็ผลเกิดขึ้นเองแต่เหตุกับผลต้องตรงกันการที่เราจะทําสติให้เกิดก็ต้องทําเหตุของสติไม่ใช่ทําตัวสติให้เกิดเหตุของสติคือทีระสรยยัญญาทอถุงสระอีรอเรือทีระค น, คนไทยใช้คําว่าสถียนมั่นคงแน่ๆอย่างนี้ ทิละสัญญาก็คือการที่จิตจําสภาวธรรมได้แม่นยำํำนะการที่จิตจําสภาวะของรูปธรรมได้แม่นยำนะพราะรูปธรรมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ น, น, น, น, นสติจะเกิดเองทิละสัญญาถ้ามันไปจํานามธรรมาได้แม่นยําเพราะนามธรรมเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเนั่นเราต้องทําเหตุเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่น เหตุของสมาธิก็คือความสุขความสบายเหตุของปัญญาก็คือสัมมาสมาธิสภาวะที่จิตตั้งมั่นแมนะ้ทุกอย่างมีเหตุหมดเลยเราจะทำสมาธิได้ไหมทาสมาธิไม่ได้เราต้องทำเหตุของสมาธนะิทำจิตใจให้มันมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวนะมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็ไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์อื่นจิตก็เกิดสมาธินะ เราไปทำปัญญาให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางตองจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละคือตัวสัมมาสมาธิท่านจึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแค่มีสติไปรู้กายรู้ใจจะไม่เกิดปัญญาอย่างเราบางคนภาวนาดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองท้องยุบท้องฟ่องท้องยุบมีสติรู้ตลอดเลยมันยงเป็นสมถะย ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเพราะฉะนั้นตัวที่ชี้ขาดเลยนะว่าเราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้ไหม <departments> ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือเ ป, เ ป, เปลา่านะมีสมาธิที่ถูกต้องนะจิตตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเราต้องทําเหตุนะแต่ทอย่างก็มีเหตุของมันทีละสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตนะิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเกิดความสงบนะ สัมมาสมาธิต้องแยกให้ดีนะไม่ใช่สมาธิเฉยๆสัมมาสมาธิสมา ธ, มาธิที่จิตมันตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอาศัยปัญญารู้รอบนะนานไปพอปัญญามันแจ้งจิตมันเกิดปัญญาเต็มที่ขึ้นมาอาริยมรรคก็จะเกิดขึ้ น, นทุกอย่างมีเหตุมีผลนะเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนขึ้นบันไดขึ้นไปเป็นลําดับลําดับก้าทีเดียวหลายหลาขั้นจะตกกระไดตาย เราต้องมาฝึกเริ่มตั้งแต่หัดรู้สภาวะให้มากเพื่อให้จิตจําสภาวะได้แม่นจะได้มีทีละสัญญาทีระสัญญาคือจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆอย่างเราเห็นหน้าคนบ่อยๆคนนี้มาบ่อยเห็นบ่อยเห็นทุกวันทุกวันนะ ก็จำได้คนนี้เป็นเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นะเห็นหน้าทุกวันไปเจอที่อื่นจำได้ไว้เนี่ยเพื่อนบ้านมีญาติสนิทกันนะพี่น้องกันไม่เคยเจอกันเลย20 3สปีไปเจอกันจำไม่ได้นะ้วงั้นตัวที่เห็นบ่อยๆมันทำให้จำแม่นงั้นเราอยากจะจำให้แม่นนะก็ต้องเห็นบ่อยๆจำอะไรให้แม่นจำรูปธรรมให้แม่นนะ สติจะได้ะระลึกรู้รูปได้จำนำ ม, มาทำให้แม่นสติจะได้ะระลึกรู้นำ ม, มาทำได้แพะั้นเราคอยรู้รูปประธรรมนำมาทำบ่อยๆนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะ ห, หายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าก็ได้แล้วก็คอยรู้รูปประธรรมรู้นำ ม, มาทำไปหายใจไปรู้รูปประธรรมก็เห็นร่างกายเป็นหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกนะเราก็รู้สึกอยู่ คอยรู้ทันว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้ว่ามันหายใจเข้าตรงที่ตัวที่ไปรู้ทันมันเนี่ยฝึกไปนานๆจะกลายเป็นตัวสตินลสติเป็นตัวรู้ทันเราหัดรู้บ่อยๆนะร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆก็รู้มากเข้ามากเข้าตอไปไม่ได้เจตนาจะรู้ เราขาสติอยู่เผลอๆอยู่นี่แหละความรู้สึกของเราเปลี่ยนเช่นเกิดราคาเกิดโทสะขึ้นมาจังหวะก า, ารหายใจมันจะเปลี่ยนนึกออกไหมไหาอย่างมีราคาแรงๆลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะใช่ไหมหายใจแรงมีโทสะลมหายใจก็แรงขึ้นอย่างเงี้ยนะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนี้เนี่ยสติจะเกิดเองเลยเพราะมันจําได้ว่าการหายใจปกติมันเป็นยังไงพอมันผิดปกติขึ้นมามันจําได้เลยนะมันรู้เลยว่ามันแปลกไปละ มันจะรู้ทันขึ้นมานันสติเนี่ยถ้าเราฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะมันจะกลายเป็นตัวที่รู้ทันขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาจะให้รู้นั่นแหละเรียกว่าสติเป็นตัวที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจโดยที่ไม่ได้จงใจนะนี่ยต้องฝึกจนกระทั่งสติที่ไม่จงใจเนี่ยเกิดขึ้นถ้ายัางต้องจงใจรู้สึกอยู่เนี่ยเป็นสติที่มีกําลังอ่อนถ้าไม่ได้จงใจก็รู้สึกได้เป็นสติที่มีกําลังแข็ง สมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิที่ต้องจงใจรักษาจิตให้ตั้งมั่นให้สงบนี่เป็นสมาธิที่ยังมีแรงอ่อนอยู่ถ้าไม่ต้องจงใจรักษานะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ต้องรักษานี่เป็นสมาธิที่เข้มแข็งมีกำลังกล้าปัญญาก็เหมือนกันถ้าปัญญาที่ยังต้องคิดนาอยู่นี่เป็นปัญญาที่มีกำลังอ่อนถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจของจิต มันเป็นปัญญาที่มีกําลังกล้าเพราะฉะนั้นถ้ายัางจงใจอยู่ก็มีแรงน้อยนะถ้าไม่จงใจก็มีแรงมากสตินี่ก็ต้องฝึกเจนกระทั่งสติอัตโนมัติมันเกิดไม่ได้จงใจให้มีสติก็มีสติเราจงใจให้สติเกิดไม่ได้นะเราหัดรู้สภาวะไปด้วยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกต่อไปสติมันจะเกิดเองมันจะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเวลาร่างกายขยั บ, ข ย, บขยืนเคลื่อนไหว แร่างกายเรานั้นขยับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งหรอกเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจก็หายใจตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็ทำตลอดเวลาใช่ไหมไม่ยืนก็เดินก็นั่งก็นอนนี่แหละก็หมุนอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่แค่นี้วันวันหนึ่งถ้ายืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติมก็มีสติทั้งวันละถ้าหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติมก็มีสติได้ทั้งวันละ งั้นหากรู้สภาวะไปเรื่อยเดี๋ยวสติจะได้เกิดอัตานมัตินะได้เข้มแข็งบางคนไม่ชอบดูกายดูกายไม่ชอบเลยแล้วำคาญดูกายไม่ดีไม่ชอบก็ดูจิตไปดูจิตดูยังไงดูจิตไม่ให้ไปเพ่งจิตดูจิตนะถ้าจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้หรือดูจิตจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะ จิตไม่มีราคารู้ว่าจิตไม่มีราคาคืออ่านสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานน่าสอนตรงๆเลยนะฝึกให้มีสติก่อนเมืมีสติแล้วในสติปัฏฐานก็ขยบขึ้นไปฝึกให้มีปัญญาเริ่มต้นนะฝึกให้มีสติก่อนมีสติรู้กายมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตสังขารความปรุงของจิตมีสติรู้ธรรมคือสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่มันทํางานไปเรื่อธรรมานุปัสสนา ถ้าเราถนัดดูกายนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทําไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอหรือถนัดยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกเราก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้สึกไปเท่านี้ก็พอเท่านี้ก็เกิดสติแล้วไม่จําเป็นต้องเรียนทุกอย่างกรรมฐานนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสติเกิดแล้วก็โอเคแล้วละ่นะหรือบางคนไม่ถนัดนะก็ดูเวทนานะความสุขเกิดก็รู้ทันความทุกข์เกิดก็รู้ทันความเฉยๆเกิดก็รู้ทัน ถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาดูแล้วได้อะไรก็ได้สติได้สติอย่างเดียวกันกับพวกที่ดูกายไม่ถนัดดูกายไม่ถนัดดูเวทนาก็ดูจิตจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะอย่างที่พระเจ้าสอนเป้เลยดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ ดุคระพิกสูทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะอะโมหะคืออะไรรู้ไหมอะโมหะที่ไม่มีโมหะอะโมหะคือปัญญาโมหะคือโง่ใช่ไหมจิตโง่เข้ามาก็รู้นะจิตเกิดปัญญาขึ้นมาก็รู้ดุคราพิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้เนี่ยคอยรู้ไปได้รู้อย่างที่มันเป็นนะ การที่เราหัดรู้ความรู้สึกในจิตเนืองๆ น, นะต่อไปพอความรู้สึกมันเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้เลไมันจะรู้ได้เองตรงที่ไม่ได้เจตนาจะรู้เนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วรู้ได้เองตัว น, นี้แหละสติอัตโนมัติเกิดขึ้นต้องฝึกต้องหัดนะทากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาบางคนนะฟุ้งซ่านมากในฟุ้งซ่านไม่ธรรมะนะอย่างได้ยินหงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่า หัวใจคําสอนของพระเจ้าคือทําทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็บอกว่าฉันจะไม่ยึดมั่นอะไรแล้วพูดง่ายไม่ยึดมั่นนั้นเป็นผลนะต้องทําเหตุที่ไม่ยึดมั่นไม่ใช่อยู่ๆก็บอกฉันไม่ยึดแล้วมันก็ยึดอยู่นั่นแหละหรือไปได้ยินหลวงปู่ดูลสอนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็จะไปทำว่าง ตรงว่างว่างสว่างบริสุทธินะไม่ใช่ว่างโง่โงด้วยนะว่างสว่างบริสุทธิ์ด้วยนะหยดความปรุงแต่งด้วยไม่ใช่ปรุงแต่งว่างนะไปทำว่างขึ้นมามันก็ปรุงแต่งว่างไม่ใช่ว่างตัวจริงนะไปทำอย่างนั้นก็หลงทางต้องทเหตุไปนึกเอาเองไม่ได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนก็เชื่อว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมันดีอยู่แล้ว ไอ้นี่ก็พูดเราเองแต่เขาก็เถียงนะเขาเถียงบ่าพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตนั้นเดิมมันประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จรมาประพัดสอนไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ประพัดสอนเพรว่าสว่างผ่องใสจิตนั้นมันผ่องใสมันสว่างนะแต่มันไม่ได้บริสุทธิ์ใครเคยใช้ตุ่มน้มําั้งหรือแทงน้ําน้ําใสไหมน้ําก็ใสใช่ไหมแต่บริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์มีตะกอนนะ ตะกอนนอนเนื่องอยู่ก้นโอง่งก้นตุ่มก้นแทงนี่นแหละคือจิตที่ว่าประพัฒนสอนประพัฒสอนนะมันมีอนุใสซ่อนอยู่ต่อเมื่อมีกิเลสมากระทบมันก็กรเพิ่มขึ้นมาเหมือนเราเอามือไแกว่งน้ําในตุ่มมันก็กรเพิ่มตะกอนมัน ก, ก็ขึ้นมาอีกมันไม่ได้สะอาดจริงคําว่าผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้องไม่มีตะกอนงั้นการที่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเอาน้ํามาใส่ตุ่มไว้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะ มันก็บอกว่านี่แหละถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วโถวตะกอนอยู่เต็มบ่งเลยไม่เห็นนะต้องมาภาวนานะมาทำเหตุให้ได้นะไม่ใช่เพิ่เจอเอาไม่ต้องทำอะไรนะไม่ยึดอะไรก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันจะยึดนะไม่ทำได้ไหมไม่ได้เพราะจิตมันทำนะยางบอกว่าอยู่กับความว่างก็ทำความว่างขึ้นมาไม่ใช่ว่างตัวจริงไม่ใช่มหาสุญญตาเนะนี่ยแกล้งทาทั้งหมดเลย แล้เราต้องมาฝึกต้นต่อต้นเหตุของมันนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะได้ผลมันจะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นมันจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตช่วยช่วยอย่างของเรานะจิตเต็มไปด้วยกิเลสงั้นเราพยายามนะมามีสติสตินี่อะไรจะเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตใจของเรามันจะคุ้มครองจิตใจของเรา สติทันทีที่สติเกิดนี่นะจิตจะได้รับการคุ้มครองทันทีเพราะอะไรทันทีที่สติเกิดนะอากุศลที่มีอยูย่จะดับทันทีอากุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติกุศลที่ยังไม่มีนะก็จะเกิดมีขึ้นทันทีในขณะที่มีสติกุศลที่เคยมีแล้วแล้วมีสติบ่อยๆนะกุศล น, นั้นก็จะเจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นงัเราต้องมามีสตินะ ถ้ามีสติได้เนี่ยโอกาสจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เกิดขึ้นขาดสติตัวเดียวศีล ส, สมาธิปัญญาหายหมดเลยไม่เหลือเลยศีลนะก็กลายเป็นศีลโง่ๆศีลเซลจัดอย่างนั้นไปไม่มีสตินั่นเราพยายามฝึกให้เกิดสติเบื้องต้นต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จนะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่ทําเพื่อให้สงบ ทำแล้วก็คอยรู้ทันนะร่างกายหายใจออกก็คอยรู้สึกอยู่ทำความรู้สึกไว้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกไปด้วยต่อไปไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอกิเลสอะไรเกิดในใจเนี่ยสติระลึกเองเลย รืลึกได้ปุ๊บกิเลสจะกระเด็นดหายไปทันทีเลยหรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเรามีสติรู้ทันนะถ้ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆจะดับทันทีเลยแต่ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันไม่จําเป็นต้องดับ <Var> <S <s <up> ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะจะดับไปแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลไม่จําเป็นต้องดับนั้นจิตที่เป็นกุศลนะก็มีความสุขได้ จิตที่เป็นอกุศลก็มีความสุขได้แต่จิตที่มีความทุกข์นั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลอย่างเดียวเพราะฉนั้นถ้าเมื่อไหรส่สติเกิดนะความทุกข์ในใจจะกระเด็นหายไปเองโดยอัตโนมัติเลยแต่เราต้องไม่ไปเกิดกิเลสซ้อนขึ้นมานะอย่างเราเห็นจิตมีความทุกข์เราเกลียดมันอยากให้มันหายเราเกลียดมันไม่มีกิเลสซ้อนขึ้นมาอีกตัวเลยไม่หายเพราะไม่ได้มีสติจะมีกิเลสแทนเคยไหมดูจิตที่มีความทุกข์แล้วรู้สึกเมื่อไหร่จะหายสติ นันอะไม่ได้มีสต <cabin, S 2> <Hence, ocide. S 1> ินะกำลังมีกิเลสกําลังอยากให้มันหายไปเกิดวิภาวะตัณหาอยากให้ของที่มีอยู่นี่หายไปค่อยรู้เอานะรู้มีสติรู้ทันไปเรื่อยต่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้ต่อไปสติมันจะเข้มแข็งนะพอมีสติเข้มแข็งแล้วศีลจะเกิดง่ายง่ายมากพอกิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทันปั๊บเดียวนะ กิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปตะคอกเขาไปดุเขานะไปรักทรัพย์เขาไปประพฤติผิดในกรมอะไรเนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่ผุดขึ้นในใจกิเลสดับนะก็ไม่ทําผิดศีลห้าละนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น สมาธิก็ต้องอาศัยสติเหมือนกันนะสมาธิคือความที่จิตไม่ตั้งมั่น <c oughs> จิตมันเคลื่อนไปหรนะือจิตมันฟุ้งซ่านสมาธิมีสองชนิดนะคือความสงบอยู่เป็นความสงบอีกอันหนึ่งเป็นความตั้งมั่นในความตั้งมั่นมีความสงบอยู่ด้วยในความสงบอาจจะไม่มีความตั้งมั่นก็ได้นะสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่สงบเนี่ยไม่ตั้งมั่นก็ได้นะ แต่ว่าจิตที่ฝึกดีนะสมาธิแบบตั้งมั่นก็มีความสงบอยู่ในตัวถึงระดับชานได้เหมือนกันแต่สมาธิที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยยังไงก็สงบต้องมีสติอย่างจิตเราฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกิเลสไหมความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส งันทันทีที่สติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับถ้าความฟุ้งซ่านดับอะไรจะเกิดสมาธิคือความสงบจะเกิดเพราะไม่ฟุ้งซ่านจิตที่สงบเห็นไหมฟุ้งซ่านกับสงบมันกลับข้างกันถ้าจิตเราเคลื่อนไปนั่นเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตไหลไปเคลื่อนไปตลอดเวลาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเหมือนกันเพราะจิตที่เคลื่อนก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านเหมือนกัน งั้นอาศัยหลักนี้แหละอาศัยสติรู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านนี่นะจะได้ทั้งความสงบนะได้ทั้งความตั้งมั่นนะค่อยๆฝึกนะอาศัยสติเนี่ยพัฒนาให้มีศีลอาศัยสตินะมาพัฒนาให้มีสมาธิใช้สติพัฒนาศีลก็คือรู้ทันกิเลสนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจราคะโทสะอะไรเกิดรู้ทันจะให้เกิดสมาธิรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปมันฟุ้งซ่านไปจะได้จิตที่มีสมาธิไม่เคลื่อนไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมา เพราะว่าทันทีที่จิตเคลื่อนนะจิตมีกิเลสลนะเขมีสติรู้ทันปั้มตั้งมั่นอนะัตโนมัติเลยถนะ้าเราฝึกเอานะต่อไปก็อาศัยสติทําให้เกิดตัญญานะแม้สตินั้เป็นเครื่องมือสําคัญมากเลยมีสตินะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจสดๆสดร้อนๆก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปฟุ้งซ่านไปก็ได้สมัครทีมีสติ รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยรู้จิตใจโลภโกรธหลงรู้จิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้รู้แต่ว่ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอันนี้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็อาศัยสติทําให้เกิดรู้ทันว่ามันเคลื่อนก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆนะต้องเดินปัญญาต่อวิธีเดินปัญญาก็คือให้มีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดังนั้นก่อนที่จะเดินปัญญาได้นะต้องมาพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นก่อนให้มีสมาธิที่ถูกต้องก่อนด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปและเบื้องต้นจะพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปเพ่งความว่างๆอยู่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน ดูท้องพองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันเนี่ยตรงที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะอย่าอยู่เฉยๆแค่นี้บางคนพอตั้งมั่นแล้วแบบรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีสมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาต้องเดินปัญญานะถึงจะบรรลุมรรคผลเดินปัญญาเราก็ใช้จิตที่ตั้งมั่นนี่แหละกับสติเป็นเครื่องมือ ใช้สติและสมาธิเป็นเครื่องมือถ้าจิตเราเป็นคนดูแล้วมีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูไม่จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่เที่ยงแล้วก็มันทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์ ยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกเนีต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติะระลึกร่างกายนะก็จะเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เพื่อความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่่ใใชจ เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเป็นคราวๆมาแล้วก็หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงไม่ได้สั่งให้มามันก็มาห้ามมามันก็มานะจะสั่งว่าอย่าไปมันก็ไปนะไล่ให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะเราบอกให้มันอยู่นานๆนนมันก็ไม่อยูนะ่เนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับอย่างนี้เรียกวเห็นอนัตตานะความทุกข์มาบอกให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายนะ นี่ก็เรียกว่ามันเป็นอนัตตามึงแสดงอนัตตาเนี่ยไข้รู้ลงไปนะรู้มีสติรู้กายรู้ใจไปหรือที่โลภโกรธลงเกิดขึ้นก็มีสติรู้นี่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไ ป, ไปโกโๆๆบเกิดแล้วก็ดับไปความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับนะ ความไม่โกรธก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเดี๋ยวก็กลับมาโกรธได้อีกเนี่ยครรู้เรื่อยๆนะจะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจตรงที่เห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจนี่แหละเรียวกว่าการเจริญมีปัสจณากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเรียกว่าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงของกายของใจก็คือเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา ก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะจะรู้เลยร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นก้อนทุกแท้ๆเลยเป็นภาระแท้ๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือไม่รู้จะยึดไปทําไมแล้วกายนี้ใจนี้เป็นแต่ของไม่ดีของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเขเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดความยึดถือ เคลายกำหนัดความยึดถือจึงหลุดพ้นะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะจิตกับกายกับใจจะพรากออกจากกันไม่รวมกันเข้ามาอีกแล้นะมันจะแยกตัวอยู่ตะหากนะไม่เกี่ยวข้องกันนะไม่มีอะไรเข้ามาสัมผัสปรุงแต่งจิตใจได้อีกต่อไปก็นะ ถ, ถึงวันนั้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะเหมือนแสงแดดที่ผ่านไปในอวกาศไม่ทาให้อวกาศร้อนขึ้นเลยนะ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไหลผ่านจิตไม่ทําให้จิตกระเพื่อมขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดานะขันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของขันนะแต่จิตที่มันแยกออกจากขันเนี่ยไม่กระเทือนไปกับขันเลยขันเป็นตัวทุกเนื้อขันจิตพรากออกจากขันเด็ดขาดคือจิตพ้นจากทุกเด็ดขาดถึงวันหนึ่งขันแตกขันดับไปก็เรียกว่าดับทุกขการบรรลุนิพพานนะมี2ระดับนะ สองอันตอที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยกิเลสมันตายหมดแล้วจิตจะพลาดออกจากขันจิตพลาดออกจากขันก็คือมันพลาดออกจากกองทุกข์ไม่เนเพราะตัวขันเป็นกองทุกข์พลาดออกจากขันก็คือจิตพ้นทุกข์ถึงวันที่เชอบนิพพานอีกเช้นหนึ่งเนี่ยอนุปาทิเศสนิพพานขันดับนะขันดับก็คือดับสนิทแห่งทุกข์เนี่ยความทุกข์มันดับจิตมันพ้นจากขันนะต้องฝึกนะ พวกเราตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จิตฟ้นจากขันเราอย่างมากก็จิตฟ้นจากอารมณ์ได้เป็นคราวๆที่จิตก็เกาะอารมณ์จิตก็แยกจากอารมณ์ถ้าจิตกาะอารมณ์ก็ทุกข์ใช่ไหมจิตหลุดออกจากอารมณ์ก็ไม่ทุกข์นี่แค่ปล่อยอารมณ์นะก็ยังพ้นทุกข์ไปเยอะแล้วนะถ้าปล่อยขันได้มันจะขนาดไหนคิดดูสินะไปทําเอานะตอนนี้ก็พาขันไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวขันจะเดือดร้อนนี่หมดเลยครับ